นภัจจาราตุกุณายสองร้อยหกเหตุปัจจัยกับนปัจจาชาตะปัจจัยมีเก้าวาระอารมณะปัจจัยละถึงมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีเ้าวาระอานันตระปัจจัยมีสามวาระสมนันตระปัจจัยมีสามวาระสหชาติปัจจัยมีเ้าวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระนิสยปัจจัยมีเก้าวาระ อุปาณิสยปัจจัยมีสามวาระปุเรชาติปัจจัยมีสามวาระอาุจวะณปัจจัยมีสามวาระกรรมปัจจัยมีเก้าวาระวิปากปัจจัยกับหน้าปัจฉาชาตะปัจจัยมีหนึ่งวาระอหารปัจจัยละถึงมีเก้าวาระอินทริยปัจจัยมีเก้าวาระชานะปัจจัยมีเก้าวาระมรรคปัจจัยมีเก้าวาระ สัมปยุตตปัจัยมีสามวาระวิ ita, ปยุตตปัจใจมีเก้าวาระอธิปัจใจมีเก้าวาระนัตถิปัจจัยมีสามวาระวิคตะปัจจัยมีสามวาระอวิคตะปัจใจมีเก้าวาระติกกะในสองร้อยรามะณปัจจัยกับณปัจชชาตะปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีสองวาระอนันตรปัจจัยละถึงมีสองวาระ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 อินทริยปัจจัยมีสองวาระชานะปัจจัยมีสองวาระมรรคปัจจัยกับณปัจฉาชาติปัจจัยและณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระสัมปยุตตาปัจจัยละถึงมีสองวาระวิปยุตตาปัจจัยมีสองวาระอธิปัจจัยมีสองวาระณทิปัจจัยมีสองวาระวิษตาปัจจัยมีสองวาระอวิคตาปัจจัยมีสองวาระ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 อินทริยปัจจัยกับมีหนึ่งวาระชานะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระวิปยุตตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยกับมีหนึ่งวาระอวิคัตปัจจัยกับมีหนึ่งวาระย่อนาอเศวณะทุกะในสองร้ยเก้เหตุปัจจัยกับนาอเศวณฑปัจจัยมี9้าวาระอารมณปัจจัยละถึงมีสวาระ อธ nights, Thailand, ิปต AH ิปัจมีเก้าวาระนันตระปัจจัยมีสามวาระสามันตระปัจจัยกับนอสเสวนปัจจัยมีสามวาระสหชาตปัจจัยละถึงมีเก้าวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระนิสยาปัจจัยมีเก้าวาระอุปนิสยาปัจจัยมีสามวาระปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระกรมปัจจัยมีเ้าวาระ วิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหาระปัจใจมีเก้าวาระอินทรียปัจใจมีเก้าวาระชานะปัจใจมีเก้าวาระมัคระปัจใจมีเก้าวาระสำปรยุตตปัจจัยมีสามวาระวิปยุตตะปัจใจมีเก้าวาระอธิปัจใจมีเก้าวาระนัตถิปัจจัยมีสามวาระวิคตะปัจจัยมีสามวาระอวิคตะปัจใจมีเก้าวาระ ติกะในสองอสอารมณปัจจัยกับนาอาศวณปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสองวาระอนันตรปัจจัยละถึงมีสองวาระสมณันตรปัจจัยมีสองวาระสหชาติปัจจัยมีสองวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสองวาระนิสยปัจจัยมีสองวาระอุปนิสยปัจจัยมีสองวาระ ปุเรชาตปัจจัยคำนั้นอาศัวณปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีสองวาระกรรมปัจจัยละถึงมีสองวาระวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยมีสองวาระอินทรียปัจจัยมีสองวาระชาณปัจจัยมีสองวาระมรรคปัจจัยมีหนึ่งวาระสัมปยุตตปัจจัยมีสองวาระวิปยุตตาปัจจัยมีสองวาระ อธิปัจจัยมีสองวาระนัถิปัจจัยมีสองวาระวิคตาปัจจัยมีสองวาระอวิคตาปัจจัยมีสองวาระจตุกะในส1งสหชาตตาปัจจัยกับนาอาศวณปัจจัยนเหตุปัจจัยและนาอารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระอัญญมัญญปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระนิสยปัจจัยกับมีหนึ่งวาระ ขามปัจจัยกับมีหนึ่งวาระวิปากาปจจัยกับมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับมีหนึ่งวาระอินทริยะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระชาณปัจจัยกับมีหนึ่งวาระวิปยุตตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยกับมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยกับมีหนึ่งวาระย่อนกรรมทุกขไนสองยสิบสอง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 เรชาตปัจจัยมีสามวาระอเศวณปัจจัยมีสามวาระอาหารปัจจัยมีสามวาระอินทริยปัจจัยมีสามวาระชานะป uhm, ัจ um จ er ัยมีสามวาระมรรคปัจจัยมีสามวาระสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระอธิปัจจัยมีสามวาระนัธิปัจจัยมีสามวาระวิียพรตปัจจัยมีสามวาระ อวิคตะปัจจัยมีสามวาระติกกะในสองอยาอารมณปัจจัยกับนักกรรมปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอันันตรปัจจัยละถึงมีหนึ่งวาระสมนันตระปัจัยมีหนึ่งวาระสหชาตปัจจัยกับนักกรรมปัจจัยและนัเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอัญญามัญญาปัจจัและถึงมีหนึ่งวาระ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 อาหารปัจจัยกับมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยกับมีหนึ่งวาระอวิคขต์ปัจจัยกับมีหนึ่งวาระย่อนวิปากะทุกะในสอง้ยสิบห้าเหตุปัจจัยกับนวิปากะปัจจัยมีเ้าวาระอารมณปัจจัยละถึงมีสามวาระอธิปติปัจจัยกับนวิปากะปัจจัยมีเ้าวาระ อนันตรปัจจัยละถึงมีสามวาระสมานันตระปัจจัยมีสามวาระสหชาตปัจจัยมีก้าวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระนิจยปัจจัยมีเก้าวาระอุปนิจยปัจจัยมีสามวาระปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระอาสิวะนปัจจัยมีสามวาระกรรมปัจจัยมีเก้าวาระอาหาระปัจจัยมีเก้าวาระ อินทริยปัจจัย i̇şte. มี9ก้าวาระชาณะปัจจัยมี9้าวาระมรรคปัจจัยมี9้าวาระสมปยุตตปัจจัยมีสามวาระวิปยุตต์ปัจจัยมี9้าวาระอธิปัจจัยมี9้าวาระนัธิปัจจัยมีสามวาระวิคตะปัจจัยมีสามวาระอวิคตะปัจจัยมี9้าวาระติกกะในสอง อารามณะปัจจัยกับนวิปากับปัจจ right, ัยและเนเหตถูปัจจัยมีสองวาระอนันตระปัจจใจละถึงมีสองวาระสมสมันตระปัจจัยมีสองวาระสหชาติปัจจัยมีสองวาระอัญญามัญญปัจจัยมีสองวาระนิจญาปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยและเนเหตถูกปัจจัยมีสองวาระอุปนิจญาปัจจใจละถึงมีสองวาระ ปุเรชาตปัจจัยมีสองวาระอาศัยวณปัจจัยมีสองวาระกรรมปัจจัยมีสองวาระอหาระปัจจัยมีสองวาระอินทริยปัจจัยมีสองวาระชานะปัจจัยมีสองวาระมัคราปัจจัยมีหนึ่งวาระสัมปยุตตปัจจัยมีสองวาระวิปยุตตาปัจจัยมีสองวาระอธิปัจจัยมีสองวาระนัติปัจจัยมีสองวาระ วิคตะปัจจัยมีสองวาระอวิคตะปัจจัยมีสองวาระจะตุกในสยสิบสหชาตปัจจัยกับนวิปากาปัจัยนเหตุตุปัจจัยและนอารมณะปัจจัยมีหนึ่งวาระอัญญมัญญปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระนิสยปัจจัยกับมีหนึ่งวาระกรรมปัจจัยกับมีหนึ่งวาระ อาหาระปัจจัยกับมีหนึ่งวาระอินทรียะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระชานะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระวิปยุตตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยกับมีหนึ่งวาระอวิขะตปัจจัยกับมีหนึ่งวาระย่อณอาหาระทุกขไนสองรยสิบแปชาตะปัจจัยกับณอาหาระปัจจัยมีหนึ่งวาระ อัญญามัญญะปัจจใจละถึงมีห น, นึ่งวาระนิสยปัจจัยมีหนึ่งวาระกรมาปัจจใจมีหนึ่งวาระอินทริยะปัจจใจมีหนึ่งวาระอาธิปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตาปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อณอินทริยะทุกขในสองร้อยสิบเก้าสหชาตปัจจัยกับหน้าอินทริยะปัจจัยมีหนึ่งวาระ อัญญามัญญะปัจจัยละถึงมีหนึ่งวาระนิสยปัจจัยมีหนึ่งวาระกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารา <sun arrivé S 2> ป, ปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตตปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อณชาณทุกขในสองรอยี่สิทรามณะปัจจัยกับณชาะปัจจัยมีหนึ่งวาระ อนันตรปัจจัยละถึงมีหนึ่งวาระสมณันตรปัจจัยมีหนึ่งวาระสหชาติปัจจัยมีหนึ่งวาระอัญญามัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระนิสยปัจจัยมีหนึ่งวาระอุปนิสยปัจจัยมีหนึ่งวาระปุเรชาติปัจจัยมีหนึ่งวาระกรรมปัจจัยกับนัชนาปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปากปัจจัยละถึงมีหนึ่งวาระ อาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระอินทริยปัจจัยมีหนึ่งวาระสัมปยุตตปัจจัยมีห pues น nah ึ่งวาระวิปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยมีหนึ่งวาระนัธิปัจจัยมีหนึ่งวาระวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อนมคฆเตกกะไนสยยี่เอ็ อารามณปัจจัยกับนามัคคะปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีสองวาระอนันตระปัจจัยละถึงมีหนึ่งวาระสมนันตรปัจจัยมีหนึ่งวาระสหชาตะปัจจัยมีหนึ่งวาระอัญญามัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระนิจยปัจจัยมีหนึ่งวาระอุปานิจยปัจจัยมีหนึ่งวาระปุเรชาตะปัจจัยมีหนึ่งวาระหาเสวนปัจจัยมีหนึ่งวาระ กรรมปัจจัยมีหนึ hm ่งวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอหาราปัจจัยมีหนึ่งวาระอินทริยปัจจัยมีหนึ่งวาระชานะปัจจัยมีหนึ่งวาระสัมปยุตตะปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปยุตตะปัจจัยกับหน้ามัคคะปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยละถึงมีหนึ่งวาระนัธิปัจจัยมีหนึ่งวาระ วิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระจตุกะในสอยยี่สหชาตาปัจจัยกับนัมมัคปัจจัยนัเหตุปัจจัยและนัอารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระอัญญามัญญปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระนิจยปัจจัยกับมีหนึ่งวาระกรรมปัจจัยกับมีหนึ่งวาระวิปากปัจจัยกับ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 เหตุปัจจัยกับนาสัมปยุตตะปัจจัยมีห้าวาระอธิปติปัจจัยละถึงมีห้าวาระสหชาตะปัจจัยมีห้าวาระอัญญมัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระนิสยาปัจจัยมีห้าวาระกรรมะปัจจัยมีห้าวาระวิปากะปัจจัยกับนาสัมปยุตตะปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหาระปัจจัยมีห้าวาระอินทริยะปัจจัยมีห้าวาระ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 กรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาร ะ, ition, าระอาหาระปัจจัยมีหนึ่งวาระอินทริยะปัจจัยมีหนึ่งวาระชาณะปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระอิทธิปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อนวิปยุตตะทุกกระในสองยี่สิห้า เทถุปัจจัยกับนวิปยุตตะปัจจัยมีสามวาระอารมณปัจจัยละถึงมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระอันันตรปัจจัยมีสามวาระสมันตรปัจจัยกนนวิปยุตตะปัจจัยมีสามวาระสาหชาตะปัจจัยละถึงมีสามวาระอัญญามัญญปัจจัยมีสามวาระนิสยะปัจจัยมีสามวาระ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 นัตถิปัจจัยมีสามวาระวิคตาปัจจัยมีสามวาระอวิคตะปัจจัยมีสามวาระติกกะในสองร้อยยี่อารมณปัจจัยกับหน้าวิปยุตตาปัจจั ย, ย, จจยและนเหตุปัจจัยมีสองวาระอนันตรปัจจัยละถึงมีสองวาระสมานันตรปัจจัยมีสองวาระสหชาตาปัจจัยมีสองวาระ อัญญมัญญปัจจัยมีสองวาระนิจญาปัจจัยมีสองวาระอุปานิจญาปัจจัยมีสองวาระอาเจวะณปัจจัยมีหนึ่งวาระกรรมปัจจัยกับนวิปยุตตะปัจจัยและนาเหตุตปัจจัยมีสองวาระมหาราปัจจัยมีสองวาระอินทริยปัจจัยมีสองวาระชานปัจจัยมีสองวาระมัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระ สัมปยุตตปัจจัยมีสองวาระอัติปัจจัยมีสองวาระนาิปัจจัยมีสองวาระวิคตาปัจจัยมีสองวาระอวิคตะปัจจัยมีสองวาระจะตุกไนสองร้ยยี่สหชาตะปัจจัยกับนาวิปยุตตปัจจัยนเหตุตุปัจจัยและนอารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระอัญญมัญญปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระ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 เทถูกปัจจัยกับโนนัตถิปัจจัยและโนวิคตปัจจัยมีห้าวาระอธิปติปัจจัยละถึงมีห้าวาระสหชาตะปัจจัยมีห้าวาระอัญญมัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระนิสยาปัจจัยกับโนนัตถิปัจจัยและโนวิคตะปัจจัยมีห้าวาระกรรมปัจจัยละถึงมีห้าวาระวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระ อาหารปัจจ <departed? |mt|> ัยมีห้าวาระอินทริยปัจจัยมีห้าวาระชานปปัจจัยมีห้าวาระมัคคปัจจัยมีห้าวาระวิปยุตตะปัจจัยมีห้าวาระอธิปัจจัยมีห้าวาระอวิคัตะปัจจัยมีห้าวาระเติกกะในสองยี่สสหชาตปัจจัยกับโนวิคตะปัจจัยและในเหตุถูปัจจัยมีหนึ่งวาระ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 อธกะในสองยสามสหชาตปัจจัยกับโนวิคตาปัจจัยนะเหตุตุปัจจัยนะอารมณปัจจัยนะอธิปติปัจจัยนะอนันตระปัจจัยนะสมนันตระปัจจัยและนะอัญญามัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระนิจญาปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระกลมมปัจจัยกับมีหนึ่งวาระวิปากปัจจัยกับมีหนึ่งวาระ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 นกรม Gloria, มรมปัจจัยมีหน <Pe> ึ่งวาระนิจญาปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระอาหาราปัจจัยกับมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยกับมีหนึ่งวาระอวิคตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระปัณรสกะในสองยสามสหชาตะปัจจัยกับโนวิคตะปัจจัยนเหตุปัจจัยละถึงนกรรมปัจจัยกวิปากปัจจัย และนอาหารรปัจจัยมีหนึ่งวาระนิจยาปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยกับมีหนึ่งวาระอวิคตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระเอากะวีสกะในสองยสามสิบสามสหชาตปัจจัยกับโนวิคตาปัจจัยนะเหตุปัจจัยละถึงนักกรรมปัจจัยนวิปากปัจจัยนะอาหารรปัจจัย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 สภาวธรรมที่เป็นอภยากฤตเกิดพร้อมกับสภาวธรรมที่เป็นกุศลเพราะเหตุถูกปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปเกิดพร้อมกับขันธ์ที่เป็นกุศลสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัภยากฤตเกิดพร้อมกับสภาวธรรมที่เป็นกุศลเพราะเหตุถูกปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุทฐานรูปเกิดพร้อมกับขันธ์หนึ่งที่เป็นกุศลขันธ์หนึ่งและจิตตสมุทฐานรูปเกิดพร้อมกับขันธ์สาม ขันสองและจิตตสมุทฐานรูปเกิดพร้อมกับขันสอง235สภาวะธรรมที่เป็นอกุสน์เกิดพร้อมกับสภาวะธรรมที่เป็นอกุศน์เพราะเหตุถูปัจจัยได้แก่ขันสามเกิดพร้อมกับขันหนึ่งที่เป็นอกุศลขันหนึ่งเกิดพร้อมกับขันสามขันสองเกิดพร้อมกับขันสองสภาวะธรรมที่เป็นอภยากฤตเกิดพร้อมกับสภาวะธรรมที่เป็นอกุสลเพราะเหตุถูปัจจัยได้แก่ จิตตะสมุทฐานรูปเกิดพร้อมกับขันธ์ที่เป็นอกุศลสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอพยากฤตเกิดพร้อมกับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเพราะเหตุตกปัจจัยได้แก่ขันธ์สและจิตตะสมุทฐานรูปเกิดพร้อมกับขันธ์หนึ่งที่เป็นอกุศลขันธ์หนึ่งและจิตตสมุทฐานรูปเกิดพร้อมกับขันธ์สขันธ์สองและจิตตะสมุทฐานรูปเกิดพร้อมกับขันธ์สองส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 มหาภูตรูปสองเกิดพร้อมกับมหาภูตรูปสองจิตตสมุทฐานนรูปและกระตตารูปที่เป็นอุปาทัยรูปเกิดพร้อมกับมหาภูตรูปสองร้สภาวธรรมที่เป็นอภยากฤิตเกิดพร้อมกับสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤิตเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปเกิดพร้อมกับขันธ์ที่เป็นกุศลและมหาภูตรูปสภาวธรรมที่เป็นอภยากฤิต เกิดพร้อมกับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอภยากฤตเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตตะสมุทฐานรูปเกิดพร้อมกับขันธ์ที่เป็นอกุศลและมหาภูตรูปพึ่งขยายให้พิสดารเหมือนในปฏิจจวาระ 1. ปัจญานุโลม 2. สังคยาวาระ238เหตุถูปัจจัยมีก้าวาระอรมณะปัจจัยมีสามวาระ อธิปติปัจจัยมีเก้าวาระอานันตระปัจจัยมีสามวาระสมนันตระปัจจัยมีสามวาระสหชาตปัจจัยมีเก้าวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระนิจญาปัจจัยมีเก้าวาระอุปาน <AKE> ิจญาปัจจัยมีสามวาระปูเรชาตปัจจัยมีสามวาระอาศัยวะณะปัจจัยมีสามวาระกรมปัจจัยมีเก้าวาระ มิอปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารกระปัดจมีเก้าวาระอินทริยะปัจใจมีเก้าวาระชานะปัจใจมีเก้าวาระมรรคปัจใจมีเก้าวาระสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระวิปยุตตปัจใจมีเก้าวาระอัติปัจใจมีเก้าวาระนณติปัจจัยมีสามวาระวิคตะปัจจัยมีสามวาระอวิคตะปัจใจมีเก้าวาระ พนุโลมจบพึ่งนับวาระเหมือนการนับในปฏิจจวาระ 2. ปัจจยะปัจจนิยะหนึ่งวิพังขวาระนเหตุปัจจัยส3 9 สภาวธรรมที่เป็นอกุศลเกิดพร้อมกับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเพราะนาเฮตุปัจจัยได้แก่โมหะที่สหรโคตด้วยวิจิกิจชาและที่สหรโคตด้วยอุทัจจะเกิดพร้อมกับขันธ์ที่สหรโคตด้วยวิจิกิจชาและที่สหรโคตด้วยอนะุทัจจะสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิเกิดพร้อมกับสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤตเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุทฐานรูป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 ที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทรานที่มีอุตุเป็นสมุทรานสําหรับเราอสัญยสัตว์พรมมหาภูตรูปสาเกิดพร้อมกับมหาภูตรูปหนึ่งกระตัลตารูปที่เป็นอุปาไทยรูปเกิดพร้อมกับมหาภูตรูปพึ่งขยายให้พิจารณาเหมือนในปฏิจจวาระ 2. ปัจยปัจญีย ะ, ยะสสังคยาวาระ240 ส, สิส นเหตุปัจจัยมีสองวาระนอารรมณะปัจจัยมีห้าวาระนอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระนัอนันตระปัจจัยมีห้าวาระนสมนันตระปัจจัยมีห้าวาระนอัญญามัญญปัจจัยมีห้าวาระนอุปนิชยปัจจัยมีห้าวาระนปุเรชาตะปัจจัยมีเจดวาระนัจชาชาตะปัจจัยมีเก้าวาระนอาศัยวะณปัจจัยมีเก้าวาระ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 ณปุเรชาตปัจจัยมีเจดวาระณปัชชาชาตะปัจจัยมีเก้าวาระณอาศวณปัจจัยมีเก้าวาระณกรรมปัจจัยมีสามวาระณวิปากปัจจัยมีเก้าวาระณสัมปยุตตปัจจัยมีห้าวาระณวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระโนนัตถปัจจัยมีห้าวาระโนวิคตตปัจจัยมีห้าวาระอนุโลมปัจจ尼ยะ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 ปุเรชาตปัจจัยมีสองวาระอาศัยวณปัจจัยมีสองวาระกรรมปัจจัยมีสองวาระวิปลากปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหาระปัจจัยมีสองวาระอินทริยะปัจจัยมีสองวาระชานะปัจจัยมีสองวาระมรรคปัจจัยมีหนึ่งวาระสัมปยุตตะปัจจัยมีสองวาระวิปยุตตะปัจจัยมีสองวาระอธิปัจจัยมีสองวาระ นัตติปัจจัยมีสองวาระวิคตะปัจจัยมีสองวาระอวิคตะปัจจัยมีสองวาระปัจญจียานุโลมจบสหชาตาวาระจบที่เป็นปฏิจจวาระได้แก่สหชาตาวาระที่เป็นสหชาตาวาระได้แก่ปฏิจจวาระ